ไม่เกลียดความมืดมัวนั้นไม่เกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างมองกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาที่เป็นมิตรพอเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาที่เป็นมิตรนะใจเราจะมีความสงบสุขขึ้นมาดนั้นเรามองกิเลส ท, ที่ผ่านมาไม่ใช่มองด้วยความเกลียดชังเมื่อไหร่เธอจะหายไปแต่เรามองเหมือนเราเห็นคนคนหนึ่งผ่านมานะ่ะผ่านมาแล้วเขก็ผ่านไปเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สวนโพนะมันมีงูงเห่า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 ไม่ใชส่สองห้าสองห้าขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์ไปกับพงเชษไปกันเสร็จแล้วก็ออกจากท่านนะขึ้นไปโน่นเลยไปหาหลวงพุทเทศด้วยพงเชษขไม่ไปสามท่านหลวงปู่ผมจะละกลามมาราคาได้ยังไงแต่ ใ, ใจมันยัง อ, อาลัยวอนอยู่ฉันบอกอาลัวรละไม่ได้ต้องเห็นโทษต้องเห็นทุกข์ต้องเห็นโทษถึงจะละได้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 ไม่ได้ส่งการบ้านหรืออะไรนี้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีการบ้านที่จะส่งแต่จะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่โยมปฏิบัติอยู่นี้ใช้ได้ไหมค่ะใชได้แล้วฝึกไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนะเสื่มได้นะค่ะค่อยรู้ไปงั้นแหละใจเราก็รู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้เมื่อกี้ไปกดไปนิดนึงแล้วก็หลงหรือว่าไหมกดแล้วก็ต่อได้หลงที่ฝึกอยู่ใช้ได้ล้วดีแล้ว